เรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผ้าเปลือกไม้356สมัยนั้นมัลละกษัตริ์ชื่อโรชะเป็นสหายของท่านพระอานนท์มัลละกษัตริ์โรชะนั้นฝากผ้าเปลือกไม้เก่าไว้กับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์เองก็มีความต้องการผ้าเปลือกไม้เก่า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 เคยบอกอนุญาตไว้ 4. เขายังมีชีวิตอยู่ 5. รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเขาจะพอใจภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างนี้ถือวิสาสะกันได้